ติกมูลกาวาล38เวทนาขันหมวดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันที่สัมปยุท ธ, ดธ์ด้วยผัสสะเวทนาขันหมวดละสองได้แก่เวทนาขันที่มีเหต ch, ุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีเวทนาขันหมวดละสามได้แก่เวทนาขันที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤิตก็มกีเวทนาขันหมวดละสิบ มีด้วยอาการอย่างนี้39เวทนาขันหมวดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยพัทธะเวทนาขันหมวดละสองได้แก่เวทนาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยเหตุก็มีที่วิปปยุทธ์จากเหตุก็มีเวทนาขันหมวดละสได้แก่เวทนาขันที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอภัยกระดิตก็มี เวทนาขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้สี่สิบเวทนาขันหมวดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันที่สัมัยุทธด้วยผัสสะเวทนาขันหมวดละสองได้แก่เวทนาขันที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มีเวทนาขันที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มี เวทนาขันธ์ที่จิตบางดวงรู้ได้ก็มีที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของอาสะวะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสะวะก็มีเวทนาขันธ์ที่สัมปยุทธ์โดยอาสะวะก็มีที่วิปยุทธ์จากอาสะวะก็มีเวทนาขันธ์ที่วิปยุทธ์จากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสะวะก็มี ที่วิปยุตจากอาสะวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสะวะก็มีเวทนาขันที่เป็นเหตุให้สัตว์ ร, ร้องไห้ก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ ร, ร้องไห้ก็มีเวทนาขันหมวดละสามได้แก่เวทนาขันที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัยกยากฤตก็มีเวทนาขันหมวดละส0บมีด้วยอาการอย่างนี้41อ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 และทิฏฐิยึดถือและเป็นออปนอารมณ์มมของอุปาทานก็มีที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นนอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นนอารมณ์ของอุปาทานก็มีเวทนาขันธ์ที่กิเลสทําให้เศร้าหมองและเป็นนอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมอง แต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กิเลสไม่ทําให้เามองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีเวทนาขันที่มีทั้งวิตกและวิจารณก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีเวทนาขันที่ต้องประหารด้วยโสดาปัติมักก็มีที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มี ที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามก็มีเวทนาขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามก็มีเวทนาขันที่เป็นเหตุใหถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่เป็นเหตุใหถึงนิพพานก็มี ทีไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นของเสกบุคคลก็มีที่เป็นของอเสกบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นปริตตะก็มีที่เป็นมหกักตะก็มีที่เป็นอปปมานะก็มีเวทนาขันธ์ที่มีปริตะเป็นอารมณ์ก็มี ที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอปปมานะเป็นอารมณ์ก็มีเวทนาขันที่เป็นชั้นต่ำก็มีที่เป็นชั้นกลางก็มีที่เป็นชั้นประณีตก็มีเวทนาขันที่มีปริตฐะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอปปมานะเป็นอารมณ์ก็มีเวทนาขันที่เป็นชั้นต่ำก็มี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 ที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มีเวทนาขันธ์ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรร ม, มภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีเวทนาขันธ์หมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้สี่สิบสองเวทนาขันธ์หมวดละหนึ่ง ได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยผัสสะเวทนาขันธ์หมวดละสองได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยเหตุก็มีที่วิปยุทธจากเหตุก็มีเวทนาขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีเวทนาขันธ์ที่จิตบางดวงรู้ได้ก็มีที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ก็มี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 ติกะมูละกะวาลจบอุปพโต ว, วัตกะวาลสีเวทนาขันหมวดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันที่สัมปยุทธเดผัสสะเวทนาขันหมวดละสองได้แก่เวทนาขันที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีเวทนาขันหมวดละสได้แก่เวทนาขันที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มี ที่เป็นนภยากฤิตก็มีเวทนาขันหมวดต่อสิมีด้วยอาการอย่างนี้4ีบสเวทนาขันหมวดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันที่สัมปยุทธด้วยผัสสะเวทนาขันหมวดละสองได้แก่เวทนาขันที่สัมปยุทธด้วยเหตุก็มีที่วิปยุทธจากเหตุก็มีเวทนาขันหมวดละสได้แก่เวทนาขันที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มี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 เวทนาขันหมทละสได้แก่เวทนาขันที่กรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีเวทนาขันหมวทละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้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 กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีเวทนาขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้47เวทนาขันหมวดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันที่สัมปยุทธด้วยผัสสะเวทนาขันหมวดละสองได้แก่เวทนาขันที่จิตบางดวงรู้ได้ก็มีที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ก็มีเวทนาขันหมวดละสาม ได้แก่เวทนาขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกมีเพียงวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีเวทนาขันธ์หมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้48เวทนาขันธ์หมวดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยผัสสะเวทนาขันธ์หมวดละสองได้แก่เวทนาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มี ที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสะวะก็มีเวทนาขันหมวดละสาได้แก่เวทนาขันที่ต้องประหารด้วยโสดาปัฏิมักก็มีที่ต้องประหาร ด, ด้วยมักเบื้องบนสามก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามก็มีเวทนาขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้49เวทนาขันหมวดละหนึ่ง ได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะเวทนาขันธ์หมวดละสองได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอาสวะก็มีที่วิปยุตจากอาสวะก็มีเวทนาขันธ์หมวดละสได้แก่เวทนาขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก และมักเบื้องบน3ก็มีเวทนาขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้50เวทนาขันหมวดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยผัสสะเวทนาขันหมวดละสองได้แก่เวทนาขันที่วิปยุทธ์จากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่วิปยุทธ์จากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีเวทนาขันหมวดละสา ได้แก่เวทนาขันธ์ที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มีเวทนาขันธ์หมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้ห้าสิบเอเวทนาขันธ์หมวดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะเวทนาขันธ์หมวดละสอง ได้แก่เวทนาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีเวทนาขันธ์หมวดละสได้แก่เวทนาขันธ์ที่เป็นของเสกบุคคลก็มีที่เป็นของอเสกบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลก็มีเวทนาขันธ์หมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้5้บสเวทนาขันธ์หมวดละหนึ่ง ได้แก่เวทนาขันธ์ที e ่ส e. ัมปยุตด e. <med> ้วยผัสสะเวทนาขันธ์หมวดละสองได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยสังโยต์ก็มีที่วิปยุตจากสังโยต์ก็มีเวทนาขันธ์หมวดละสาได้แก่เวทนาขันธ์ที่เป็นปริตตะก็มีที่เป็นมหคตะก็มีที่เป็นอปปามานะก็มีเวทนาขันธ์หมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้ห้าสิบสา เวทนาขันหมวดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันที่สำปรยุทธ์ด้วยผัสสะเวทนาขันหมวดละสองได้แก่เวทนาขันที่วิปปยุทธจากสังโยชน์ h, แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีที่วิปปยุทธจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีเวทนาขันหมวดละสได้แก่เวทนาขันที่มีปริตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหาตะเป็นอารมณ์ก็มี ที่มีอปปมานะเป็นอารมณ์ก็มีเวทนาขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้ห้ิบสเวทนาขันหมวดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันที่สัมปยุทธได้ผัสสะเวทนาขันหมวดละสองได้แก่เวทนาขันที่เป็นอารมณ์ของขันทะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของขันทะก็มีเวทนาขันหมวดละสาม ได้แก่เวทนาขันธ์ที่เป็นชั้นต่ําก็มีที่เป็นชั้นกลางก็มีที่เป็นชั้นประณีตก็มีเวทนาขันธ์หมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้ห้เวทนาขันธ์หมวดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยผัสสะเวทนาขันธ์หมวดละสองได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะก็มี ที่วิปยุตจากขันทะก็มีเวทนาขันหมวดละสาได้แก่เวทนาขันที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนก็มีที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มีที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นก็มีเวทนาขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้56เวทนาขันหมวดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันที่สัมปยุต ด, ด้วยผัสสะ เวทนาขันหมวดละสองได้แก่เวทนาขันที่วิปยุตจากคันทะแต่เป็นอารมณ์ของคันทะก็มีที่วิปยุตจากคันทะและไม่เป็นอารมณ์ของคันทะก็มีเวทนาขันหมวดละสามได้แก่เวทนาขันที่มีมักเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมักเป็นเหตุก็มีที่มีมักเป็นอธิบดีก็มีเวทนาขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้ห้เจ เวทนาขันหมวดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันที่สัมบุญด้วยผัสสะเวทนาขันหมวดละสองได้แก่เวทนาขันที่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีเวทนาขันหมวดละสได้แก่เวทนาขันที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีเวทนาขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้ ห้เวทนาขันหมวดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันที่สัมปยุตด้วยผัสสะเวทนาขันหมวดละ2ได้แก่เวทนาขันที่สัมปยุตด้วยโอคะก็มีที่วิปยุตจากโอคะก็มีเวทนาขันหมวดละสได้แก่เวทนาขันที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีเวทนาขันหมวดละสิ มีด้วยอาการอย่างนี้59เวทนาขันหมวดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันที่สำปรยุทธรร์ได้ผัสสะเวทนาขันหมวดละสองได้แก่เวทนาขันที่วิปปยุทธจากโอคะแต่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีที่วิปปยุทธจากโอคะและไม่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีเวทนาขันหมวดละสได้แก่เวทนาขันที่มีอดีตทำเป็นอารมณ์ก็มี ที่มีน า, าคาตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มีเวทนาขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้หกสิบเวทนาขันหมวดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยผัสสะเวทนาขันหมวดละสองได้แก่เวทนาขันที่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีเวทนาขันหมวดละสาม ได้แก be ่เวทนาขันธ์ที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มีเวทนาขันธ์หมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้หกเอเวทนาขันธ์หมวดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยผัสสะเวทนาขันธ์หมวดละสองได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยโยคะก็มีที่วิปยุทธ์จากโยคะก็มี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 ได้แก่เวทนาขันธ์ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นนพยากริตก็มีที่เป็นกามาวจรก็มีที่เป็นรูปาวจรก็มีที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัตทุก็มีเวทนาขันธ์หมวดละเจ็ดมีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันธ์หมวดละเจ็ดอีกหมวดหนึ่ง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 ที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏะทุกข์ก็มีเวทนาขันโมทระเจ็ดมีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันโมทระยี่สิได้แก่เพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาขันที่เป็นกุศลหนึ่งที่เป็นอกุศลหนึ่งที่เป็นอัพยากฤิศหนึ่งจึงมีเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาขันเพราะขานาสัมผัสเ ป, เป็นปัจจัยเวทนาขัน เพราะชิวหาสัมผัสเป็นป oh ัจจัยเวทนาขันธ์เพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาขันธ์เพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาขันธ์ที่เป <ór> ็น <statistic> ก <pack Pre> ุศลหนึ่งที่เป็นอกุศลหนึ่งที่เป็นอัพยากฤิตหนึ่งจึงมีเวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่โสดสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่คาณะสัมผัส เวทนาที่เกิดแต่ชิวหาสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสเวทนาขันหมวดละ24มีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันหมวดละ24อีกหมวดหนึ่งได้แก่เพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาขันที่เป็นวิบากหนึ่งที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากหนึ่งที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากหนึ่งจึงมี เวทนาขันธ no ok um. no no ์ที k k ่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีเวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสเพราะโสดสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาขันธ์เพราะขานสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาขันธ์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 ที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีเวทนาที่เกิดแต่จักขูดสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสเวทนาขันหมวดละยี่มีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันหมวดละ 30. ได้แก่เพราะจักขูดสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาขันที่เป็นกามาวจรหนึ่งที่เป็นมรูปาวจรหนึ่งที่เป็นอรูปาวจรหนึ่ง ที่ไม่นับเนื่องในวัตถุหนึ่งจึงมีเพราะโสดสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะคานสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาขันธ์ที่เป็นกามาวจรหนึ่งที่เป็นรูปาวจรหนึ่งที่เป็นอรูปาวจรหนึ่งที่ไม่นับเนื่องในวัตทุหนึ่ง จึงมีเวทนาที่เกิดแต่จักขูดสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสเวทนาขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันหมวดละมากอย่างได้แก่เพราะจักขุดสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาขันที่เป็นกุศลหนึ่งที่เป็นอกุศลหนึ่งที่เป็นอัพยากรหนึ่งที่เป็นกามาวจรหนึ่ง ที่เป็นมรูปาวจรหนึ่งที่เป็นอรูปาวจรหนึ่งที่ไม่นับเนื่องในวัตตทุกหนึ่งจึงมีเพราะโสดสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะขานสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาขันธ์ที่เป็นกุศลหนึ่งที่เป็นอกุศลหนึ่งที่เป็นอัพยากฤตชนึง ที่เป็นกามาวจรหนึ่งที่เป็นรูปาวจรหนึ่งที่เป็นอรูปาวจรหนึ่งที่ไม่นับเนื่องในวัตถุทุกหนึ่งจึงมีเวทนาที่เกิดแต่จะกขูดสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสเวทนาขันหมวดละมากอย่างมีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันหมวดละมากอย่างอีกหมวดหนึ่งได้แก่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 ที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏุกข์ก็มีเพราะโสดสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะขานะสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาขันธ์ที่เป็นวิบากหนึ่งที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากหนึ่ง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 เวทนาที่เกิดแต่จะขูดสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่มนโนสัมผัสเวทนาขันหมวดละมากอย่างมีด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าเวทนาขันพหุวิทวาน